ก่อนที่หัวหน้าคณะเดินทางจะเอ่ยถามเช่นไรต่อมาดารินก็ถามมาว่าแผลเป็นยังไงบ้างพรานใหญ่เอื้อมมือไปคลำที่สีข้างก็เรียบร้อย <K _> ดีครับขา อ, อยังชั่วขึ้นมากทีเดียวไม่ ป, ปวดแล้วระบมนิดหน่อยเท่านั้นทระหดพอๆกับกระทิงที่มันหยียบคุณทีเดียวนะรอนประชดมองดูอย่าง ข, งขวางๆพา น, านันกันก็ได้ว่าคืนนี้แหละ มันจะอักเสบขึ้นมาอย่างน่าชมทีเดียวไม่ถึงกับนอนร้องคลางก็ฉีดเฉีย ด, ดไปแหละสั่งไว้แล้วว่าตอนใช้มาหามาขอยากินแล้วผักพักผ่อนเสียนี่กลับออกแรงเดินบุกป่าอีกคุณเป็นคนเจ็บที่ไม่เคารพในคำสั่งของหมอเลยรู้งี้ไม่ทำแผลให้สิ ก, กด็ดีแล้วผินหัวเราะผมต้องขออภัยคุณหมอครับเห็นมันไม่หนักหนาไรนักพอทนได้ก็ไม่อยากจะทาตัวเป็นคนเจ็บอยู่ คานป่าอย่างผมถ้าลงนอนแซวเมื่อไหร่ก็เตรียมฝังได้เมื่อนั้นกลับมานี่ก็ตั้งใจจะมาขอยาคุณหมอทานตามคําสั่งตอนเช้ายังไม่กล้าเข้าไปปลูกเพราะคุณหมอยังไม่ตื่นไม่ต้องกินแล้วยาเยอะเดินออกตัวปลิวขุดแย้หาบึ้งได้อยังงี้ก็ไม่ต้องพึ่งยาอีกต่อไปเอาไว้ให้ลงนอนซิก่อนแล้วค่อยเรียกหาหมออีกตอนนั้นจะทําพิธีส่งวิญ ญ, ญาณให้เองดาดินพูดเสียงคุนคุนแล้วลุกขึ้น เดินที่กรงพญารอหายเข้าไปในกระโจมพักคงเหลือแต่เพียงเชี่ถากับชั ย, ยันผมนึกว่าคุณจะนอนพักเสียอีกวันนี้ผมเองตอนเช้าแทบจะลุกไม่ขึ้นชัยยันเอ่ยมาเมื่อคล้อยหลังดาลินก็อยากจะนอนเหมือนกันแหละครับพรานใหญ่ตอบเสียงแผวเบาเคร่งขรึมลงขณะที่มองไปยังเชี่ถาและช ย, ยันเมื่อตอนเช้ามืดนี้เองกลียงที่หมู่บ้านผาเยงสองคน แวะเข้ามาที่แคมป์ของเราเข้ามาพบผมขอข้าวสารไปสามสีก่กระป๋องแล้วก็เนื้อแห้งอีกเล็กน้อยมีข่าวไม่ค่อยจะดีนักเกี่ยวกับไอ้แหว่งเชษฐาได้ชายยันขยับตัวตรงขึ้นในบตดนั้นหูพึ่งข่าวอะไรจากคำบอกเล่าของสองคนนั่นเมื่อคืนวานซืนนี้ตอนที่เรานั่งห้างดักกระทิงกันอยู่ไอ้แหวงยกโขลงช้างเข้าเหยียบไร่ของหมู่บ้านกะเลียงที่ผาเยิงแหลกยับ มิหนำซ้ํายังบุกเข้าลืมหมู่บ้านสิบกว่าหลังคาเรียนเรียบเป็นหน้ากลองคนในหมู่บ้านถูกพวกมันฆ่าตายเพราะหนีไม่ทันไป8คนส่วนมากเป็นเด็กกับผู้หญิงและตอนเย็นก่อนหน้านั้นสักเล็กน้อยมันก็จู่โจมก็เหยียบแคมป์ของฝรั่งนักสํารวจ3คนตั้งแคมป์อยู่ที่ตะเคียนลม้มห่างจากหมู่บ้านผาเยิงเอาไปเล็กน้อยนักสํารวจป่าชาวอเมริกัน3าคนนั้นตายเรียบภายหลังจากยิงปะทะพวกมันในระยะเผาขนเพียงคนละไม่กี่นัด เรียงสคนที่สมซารเข้ามาขอสเสบียงจากเราเมื่อเช้านี้เป็นคนนําทางของนักสํารวจที่เพนนีเอาตัวรอดมาได้ข่าวร้ายนี้เองทําให้ผมต้องออกสํารวจบริเวณใกล้เคียงแคมป์ของเรานายจ้างทั้งสองของเขาได้ยินก็ตรึงงานอ้าปากค้างระพินเป็นความจริงหรือหัวหน้าคณะเดินทางอุทานออกมาเกเรียงสองคนนั้นรู้จักผมดีครับและเคารพนับถือผมมากคงจะไม่เอาข่าวเทศมาบอก ตอนที่มันรับจ้างฝรั่งนำสำรวจป่าผมก็รู้เห็นอยู่แล้วนี่สองคนนั่นไปไหนแล้วชา ย, ยานซักเรียวปื๋ผมชวนมันให้พักอยู่กับเราก่อนแต่มันบอกว่าจะต้องรีบไปครับแวะเข้ามาขอสเสบียงเท่านั้นเพราะพวกมันหนีการเตรเิดเปิดเปิงไม่มีอะไรติดตัวมาเลยมันจะรีบกลับไปถึงทับกวางก่อนค่านี้ให้ได้เพราะจะต้องเอาข่าวร้ายนี้ไปแจ้งให้แก่กำนันที่นั่นรู้ ฝรั่งนักสํารวจเริ่มต้นการเดินทางที่ทัพกว่างนั่นเป็นหน้าที่ของกํานันทัพกว่างจะต้องรับทราบเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นโดยเร็วเ mm hmm. ช่ฐ า, ากับชายยันหันมามองดูตากันสีหน้าเคร่งเครียดตรงในทันทีนั้นอดีตทูตทหารโบกหัวหน้าคณะเดินทางเอ่ยต่อมาเสียงห้าวต่ําอืมไปไปมามาไอ้แหว่งมหาวายร้ายนั่นก็ยังป้วนเปี้ย น, นอรารวาธท้าทายเราอยู่ในละแวกนี้นี่เองผาเยิงที่คุณว่านะั่นน่ะ ห่างจากที่นี่สักเท่าไหร่เดินประมาณ6ชั่วโมงตัดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ครับแต่ผมคิดว่าเราไม่จําเป็นจะต้องย้อนไปดูตําแหน่งที่มันอรารวาสเป็นครั้งสุดท้ายเสียวเวลาหรอกเกลียงสองคนนั่นให้ข่าวว่าหลังจากมันลื้อแคมป์ฝรั่งป่นหมู่บ้านนั้นแล้วมันก็เคลื่อนย้อนขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือคํานวณดูจากทิศทางเดินของมันรู้สึกว่าจะวนอยู่ในรัศมีวงกลม ร, บรอบๆแคมป์ของเรานี่เองคุณคิดว่ายังไง ชายยันเมิ้มปากถามแผ่วเบาจ้องตาพรานใหญ่ไม่กระพริบ้วพินหัวเร้อหือห้อในลาคอก็คงไม่ผิดหรอกครับมันมีสมองวงการลักษณะเดียวกันกับไอกุฏนั่นแหละแต่ชราดยิ่งสิ ก, กว่านั่นก็หือร้อเล็มเรียบเคียงที่จะจ้องโอกาสเข้าเล่นงานให้ได้โดยไม่ยอมหนีไปให้พ้นและระยะเวลาความพยายามอาฆาตของมันนี้มันพบอะไรขวางหน้าก็จู่เข้าเล่นงานโดยไม่เลือกก็ดีครับเราจะได้ไม่เสียเวลาตามมานานนะ เพียงแต่ต้องระมัดระวังหนักและวางแผนกับมันให้รอบคอบเท่านั้นเราไม่ได้หมายร่ามันฝ่ายเดียวมันก็จ้องจะล่าเราอยู่ทุกขณะเหมือนกันกเหลียงสองคนนั่นไม่ได้บอกหรอกหรือว่าขณะที่มันยกโครงเข้าเหยียบแคมป์ฝรั่งนักสํารวจพวกนั้นฆ่าพวกมันได้บ้างหรือเปล่าก่อนที่ทั้งสามคนจะถูกเหยียบเละไปพวกนั้นรู้ตัวกันในเวลากระทันหันหดือเกินครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายชนิดนี้ขึ้น เพราะชะน่าใจว่าอยู่ใกล้หมู่บ้านนิดเดียวพรานเกเลียงทั้งสองคนก็นอนหลับเสียโดยประมาทว่าเป็นเวลากลางวันกว่าจะรู้สึกแไอแหวงกับโครงของมันก็เข้าถึงตัวแล้วฝรั่งพวกนั้นยิงพวกมันเจ็บไปบ้างเหมือนกันแต่ไม่มีตัวไหนล้มอยู่กับที่สักตัวเดียวปืนที่มีติดตัวกันอยู่อย่างดีที่สุดก็มีขนาดจุดเหเพียงกระบอกเดียวนอกนั้นก็เป็นจุดสและลูกสองแฝ นักสำรวจพวกนั้นเป็นพวกสำรวจสแสวงหาสมุนไพรมากกว่าคิดจะบุกป่าแท้จริงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปให้ลึกอะไรนักนอกจากจะท่องเที่ยวอยู่ในละแวกไม่เกินหล่มช้างสองคนเป็นในแพทย์มีชื่อส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนายทหารประจำหน่วยจัสแมครางานติดตามมาเที่ยวด้วยเชิฐาจุ ป, ปากเบาๆโครงศรีรษะอย่างเศร้าใจหน้าหนาหรือเกิน นี่ถ้าพวกเขาพบกับเราเสียก่อนก็คงจะไม่ค้อร้ายถึงเพียงนี้พรานเกเหลียงนําทางสองคนนั่นใช้การไม่ได้เลยในฐานะพรานมันควรจะไหวทันรู้ตัวร่วงหน้าขณะที่ช้างทั้งโขลงเคลื่อนขบวนเข้ามาใกล้แคมนี่อะไรปล่อยให้มันบุกจู่โจมก็ถึงตัวเสร็จแล้วทิ้งนายจ้างให้ตายตัวเองหนีเอาตัวรอดมาได้ผมคิดว่ามันเป็นเหตุประจวบเหมาะครอกคำของพวกนั้นมากกว่าครับแล้วผินพูดแผ่วเบาอย่างระมัดระวัง พร้อมกับถอนใจพรานเกลียงสองคนนั่นฝีมืออยู่ในขั้นพอใช้ได้ทีเดียวและทั้งสองคนก็พยายามติดตามโขงไอ้แหว่งมาเป็นเวลานานแล้วเกือบจะได้ตัวก็หลายครั้งชีวิตของพรานป่าไม่ว่าจะมีฝีมือยิ่งใหญ่เชี่ยวชาญสักเพียงไหนก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นฝ่ายพิชิตสัตว์ได้ทุกครั้งไปเข้าตำราหมองงูตายพระ ง, งูนั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับโชคหรือเคราะห์ ผมเองตาบใดก็ตามที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าวันใดชีวิตผมจะดับดิ้นลงด้วยสัตว์ป่าที่ผมเคยร่ามันจวนจวนมาก็หลายครั้งแล้วเราล่ามันได้ทำไมมันถึงจะล่าเราไม่ได้มันแล้วแต่โอกาสของใครเท่านั้นคําพูดแบบถ่อมตัวและแสดงความเห็นอกเห็นใจชีวิตพรานด้วยกันเองของรพินเป็นเชิงออกรับแทน ทำให้ในจ้างทั้งสองนิ่งไปไม่กล้าปนามติเตียนพรานเกะเลียงสองคนอีกแสงแห่งความพอใจได้วางใจอย่างสนิทปรากฏขึ้นที่แววตาของหม่อมละชฉงเชิฐาในขณะที่มองดูจอมพรานอย่างน้อยคำพูดของรพินเช่นนี้มันก็สอนให้เห็นได้ว่าพรานใหญ่ผู้นำทางของเขามีความสงบสัมรวมและมีได้ตั้งอยู่ในความประมาทเลยเพราะแทนที่เขาจะพูดสิ่งใดเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมติเตียนพรานเกเลียงทั้งสองคนนั่นเพื่อยกตนเอง เขากลับพูดไปในทํานองเห็นใจและยอมรับว่าเหตุการณ์เช่นนั้นมันอาจเกิดขึ้นกับตัวเขาเองไม่ใดก็ได้เหมือนกันไม่ได้อโ อ, อวดว่าตนจะวิเศษเหนือไปกว่าเพื่อนร่วมอาชีพคนอื่นๆแม้คนเหล่านั้นจะด้อยกว่าเขาด้วยประการทั้งปวงชนิดเปรียบกันไม่ได้เลยทั้งเชษฐาและชา ย, ยันเข้าใจรับผิดได้เป็นอย่างดีว่าแต่เราจะเริ่มต้นกันยังไงต่อไปเกี่ยวกับเรื่องไอแหว่งนี่ชัยยันตั้งคําถาม โดยไม่พูดวกไปถึงเรื่องนั้นอีกให้เป็นที่สเตือนใจของเขาเพราะรู้ว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วินก็มีฐานะเป็นพรานรับจ้างไม่ผิดอะไรกับพรานกะเหลี่ยงสองคนที่รับจ้างฝรั่งนักสดดํารวจก็ตามแผนเดิมของเรานั่นแหละครับประมาณค่ําของวันนี้พวกที่เราส่งไปเอากระทิงและเสือจะกลับมาถึงแคมป์เรารอให้พวกนั้นกลับมาพร้อมหน้าเสียก่อนค้างที่นี่กันอีกคืนพอรุ่งเช้าก็เริ่มต้นออกเดินทางไปตามปกติมุ่งป่าหวาย การล่าไอแหวงไม่ใช่เป็นการล่าช้างธรรมดาเสียแล้วแต่เป็นการทำศึกระหว่างเรากับสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเหนือกว่าสัตว์ทั่วไปเป็นพิเศษการที่เราจะประมาณกำลังความคิดระมันสมองของมันในขั้นต่ำโดยถือแต่เพียงว่ามันเป็นเดรฉานจัดว่าเป็นความประมาทอย่างที่สุดขณะนี้เรากำลังวางแผนอย่าคิดว่ามันจะไม่มีแผนผมแน่ใจว่าในระหว่างที่เราเดินทางคืบหน้าเป็นนั้น จะต้องอยู่ในความรู้เห็นและเข้าใจของมันทุกระยะและจะต้องมีจุดที่มันเลือกโจมตีเราตามแต่มันจะเห็นว่าเหมาะควรที่สุดของฝ่ายมันขอให้เข้าใจด้วยว่าการพระหนีหรือการหลบหลีกของมันไม่ใช่อยู่ในความหมายว่ามันจะกลัวเราแต่แปลว่ามันยังไม่เห็นโอกาสเหมาะได้เปรียบเราและจะหลอกล่อทำกลศึกอยู่กับเราเช่นนี้ไม่มีทิศสิ้นสุดปัญหาจึงมีอยู่แต่เพียงว่าในระหว่างเรากับมันนั้นใครจะฉลาดกว่าใคร และโอกาสจะเป็นของใครเท่านั้นไอ้กุดร้ายกาดขนาดไหนคุณชายกับคุณชายันก็ได้เคยเห็นมากับตาเป็นตัวอย่างชี้ชัดอยู่แล้วแต่ไอ้แหว่งกับโคขงของมันมีมันสมองยิ่งกว่าไอ้กุดหลายเท่านักพูดไปก็เหมือนกับว่าผมออาสัตว์ดิรัชานสีเท้าขึ้นมากล่าวยกมาตรการของมันเสียสูงเกินความรู้สึกดึกคิดสามัญทั่วไปแต่จะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่เถอะครับ ประสบการณ์ของผมที่มีต่อไอ้แหว่งกับโครงของมันทำให้ผมกล้าพูดเช่นนี้ทั้งๆ ท, ที่ก็รู้ตัวว่าเมื่อพูดออกไปแล้วผู้ที่ไม่ทราบมาก่อนย่อมเห็นเป็นเรื่องเหลวร้าชวนขบขันเชษฐายิ้มขรึมๆเอื้อมมือมาตบแขนพรานใหญ่เบาๆไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เชื่อคุณระพินอย่างน้อยที่สุดเราทุกคนก็รู้จักคุณดีอยู่แล้วคาพูดของคุณเป็นสิ่งที่เรายอมรับฟังด้วยความศรัทธา ไม่ใช่จะเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลเลยคุณไม่ต้องวิตกไปหรอกลงมือขนาดคุณพูดออกมาอย่างนี้ทำไมเราถึงจะไม่เชื่อการดำเนินการกับไอ้แหวงคาสั่งหรือแผนการทุกอย่างขอให้ออกมาจากปากคุณก็แล้วกันผมชายานและน้อยจะเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นผมเป็นหัวหน้าในการเดินทางจะไปหรือจะกลับอยู่ที่ผมแต่ผมไม่ใช่หัวหน้าของการล่าสัตว์คุณตหา ความรับผิดชอบทั้งหลายแหละในเรื่องนี้มันอยู่ที่คุณอยู่แล้วอย่าห่วงเลยแล้พินพวกเราจะไม่มีความเห็นอะไรขัดแย้งกับคุณเลยในเรื่องนี้ชายยานสนับสนุนหนักแน่นมาอีกคนหนึ่งทั้งสามปรึกษาหาหรือกันเงียบๆอยู่ครู่ใหญ่หม่อมราชวงหญิงดาลินก็กลับออกมาจากกระโจมอีกครั้งหล่อนยังไม่รู้ว่าพี่และเพื่อนชายกาลังพูดเรื่องเคร่งเครียดอะไรอยู่กับพรานใหญ่ พอมาถึงก็ส่งยากันอักเสบให้ระพินว่าจะไม่ให้แล้วแต่กลัวจะตายสิก่อนแล้วก็จะไม่มีคนนําทางเงินค่าจ้างที่จ่ายไปแล้วก็จะศูนย์เปล่าอา้าวเอาไประพินหัวเราะรับยาเม็ดต่างๆสีรวมกันสองสเม็ดที่โรยลงมาให้จากฝากมือของนายจ้างสาวเทใส่เปล่าและกรอกน้ําในกระติกตามเข้าไปดาลินซุดตัวลงนั่งข้างๆพี่ชาย แล้วขโมดคิ้วเมื่อสังเกตเห็นแช่ถาและชายยันพากันนั่งสีหน้าเคร่งขึมผิดไปเอ๊ะ e, มีอะไรหรือคะพี่ใหญ่ดูหน้าตามไม่เสเบยกันเลยนี่ถ้าเธอรู้เหตุผลว่าทำไมคนเจ็บของเธอจึงฝ่าฝืนคำสั่งออกไปสำรวจป่ารอบแคมป์นี่ตั้งแต่เช้ามืดเธอจะไม่ตำหนิเขาเลยน้อยชายยันบอกเสียงต่ำๆหลอนยิง ง, งจัดหน้าตื่นจ้ามองดูหน้าของทั้งสามชายเป็นทีละคนถามเสียงสูง ฉันไม่เข้าใจเลยหมายความว่ายัางไงกันเพื่อนชายทําหน้าที่อธิบายความจริงทั้งหมดที่ได้รับฟังจากรับผินให้หรอนทราบดาลินนั่งนิ่งงันไปเราควรจะไปเยี่ยมหมู่บ้านกะเลียงผาเยิงและที่แคมป์ฝรั่งนักสํารวจที่ถูกมันฆ่าตายนั่นหล่อนออกความเห็นตามสัญชาตญาณของนายแพทย์และผู้หญิงแต่พี่ชายสั่นศรีรษะไม่มีประโยชน์หรอกน้อย ถึงไปเราก็ม่มีทางจะช่วยอะไรพวกนั้นได้อีกแล้วเสียเวลาเปล่าๆการออกสกัดติดตามมันพรานใหญ่บอกว่าเราจะเริ่มต้นจากที่นี่เลยนี่แปลว่าหลังจากที่เราตามยิงมันแตกกระเจิงไปที่พูบอนแล้วลุ่งขึ้นอีกสองวันเท่านั้นมันก็เปิดฉากอารวาสขึ้นที่ผาเยิงอีกทลายหมู่บ้านกระเลียงเสียทั้งหมู่บ้านแถมด้วยชีวิตนักสํารวจอเมริกันอีกสามคนดารินครางออกมา พรานใหญ่เงียบเชียบไม่ได้กล่าวเช่นไรนั่งอัดควันบุหรี่อย่างใช้ความคิดชายยันเอ่ยขึ้นว่าระยะเวลามันติดต่อกันนั่นแหละแรกเริ่มทีเดียวก็ย่องเข้ามาชุลมูลเตรียมบุกกล่าอยู่ที่หนองน้ําใต้แคมป์ที่เราตั้งกันอยู่ที่นี่ดีว่าระพินกับแงสายรู้ตัวสิก่อนพอรุ่งขึ้นอีกวันก็ดักเหยียบลูกหาบของเราสิคนหนึ่งตอนที่ใช้ให้เอาหนังเสือย้อนกลับไปหนองน้ําแห้งบุญคําเองก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิด เป็นเหตุให้เราต้องกวดตามรอยมันไปแล้วก็สันโวกันที่พุ้บอล น, นั่นมันหลบจากเราพกเอาความอาฆ า, าตพยาบาทไประบายกับฝรั่งนักสํารวจและหมู่บ้านกระเลียงไอ้แบบนี้ไม่ว่าจะกินเวลานานสักขนาดไหนก็ต้องตามมาันใหถึงที่สุดทีแรกฉันก็เป็นห่วงการเดินทางที่หล่มช้างอยู่ไม่น้อยแต่เดี๋ยวนี้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วถ้ายังเก็บไออันธพานโขงนี้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวการหูแหว่งงากรดข้างหนึ่งนั่น ก็จะไม่ขอทำอย่างอื่นได้ยินได้ฟังเรื่องช้างดุมาเสียนักต่อนักแล้วแต่ไม่เห็นตัวไหนหรือโขงไหนร้ายกาดเท่าไอแหวงนักเลงตั ว, ตวนี้มันไม่ได้อยู่กันตามภาษาช้างป่าธรรมดาสามัญเลยดันทำตัวเป็นจอมลังควาคอยตั้งหน้าตั้งตาร้างผ่านมนุษย์ไม่เลือกหน้าแม้แต่แรกคณะนายช้างของเขาทั้งสามคนจะมีความเห็นขัดแย้งกันบ้างก็ตามในกรณีของไอแหวงทั้งชายยานและดาลิน ระยะหลังนี้ดูจะเป็นห่วงการเดินทางเริ่มต้นที่หล่มช้างมากและยังลังเลอยู่ในการที่จะติดตามล่าไอ้แหวงเพราะต่างก็ทราบดีว่าอาจจะต้องเสียเวลามากเกินไปแต่บัดนี้ทั้งชายยานและดาลินมีความเห็นตรงกันเป็นเอกฉันแล้วลูกหาบของเรารู้เรื่องนี้แล้วหรือยังเชษฐาถามเชื่อว่าคงจะรู้กันหมดแล้วครับพระพานกระเลียงสองคนเข้ามาพบผมเมื่อตอนหัวลุ่ง พวกลูกหาบก็เห็นกันอยู่ทุกคนแล้วก็เข้ามาร้อมฟังอยู่ในขณะที่สองคนนั้นเล่าให้ผมฟังคุณสังเกตดูขวัญของพวกนี้เป็นยังไงบ้างผมน่ะไม่กลัวอะไรหรอกกลัวพวกนี้จะเสียขวัญไม่ยอมไปกับเราเสียเท่านั้นคงไม่มีอะไรจะต้องวิตกถึงเพียงนั้นหรอกครับตราบใดที่ผมยังอยู่พวกลูกหาเปล่านี้จะไปส่งเราจนถึงล่มช้างตามสัญญาทุกอย่างพวกเขากลัวไอแว้แหวงกันก็จริง แต่ก็อบอุ่นเชื่อมั่นในคุณชายคุณชายยันและคุณหญิงกันทุกคนเพราะเห็นฝีมือและน้ําใจกันมาดีแล้วยิ่งไม่รู้แน่นอนว่าเราเตรียมที่จะออกล่ามันให้จริงจังพวกเขาก็ยินดีและสนับสนุนเต็มที่เพราะเท่ากับช่วยให้พวกชาวป่าทุกคนปลอดภัยขึ้นถ้างันก็ค่อยยังชั่วหน่อยบอกพวกลูกหาบทุกคนให้รู้เถิดว่าเราจะล่าไอแหวงให้ได้เพื่อความสงบสุขปลอดภัยของชาวบ้านป่าแถบนี้ทุกคนครับ ผมจะให้พวกเขาได้มั่นใจเพิ่มขึ้นตามที่คุณชายสั่งว่าแต่คุณออกสำรวจรอบรอบแคมป์พบร่องรอยอะไรบ้างหรอืรอเปล่าชายยันถามมาบ้างรัศมีสองกิโลเมตรรอบแคมป์เราไม่มีวิแวว ข, ของโขลงไอ้แหวงเลยครับนอกจากช้างโขลงอื่นแต่ก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วพรานใหญ่ก็หยุดหัวรารมองกราดไปยังคณะนายจ้างของเขาทั้งสามคนเปลี่ยนเรื่องมาว่าวันนี้เราคงจะว่างกันทั้งวัน มีใครอยากจะซ้อมมือยิงเสือบ้างไหมครับทำไมหรือชายยันกับดารินถามมาโดยเร็วเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันในเที่ยวขากลับนี่เองผมพบซากวางถูกไอลลยกัดทิ้งไว้ตัวหนึ่งในหุบด้านใต้ของแคมป์เรานี้เดินสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงรู้สึกว่ามันจะกัดไว้เมื่อตอนหัวรุ่งที่แล้วมาซากวางยังสดอยู่มีรอยแท ก, กินเพียงเล็กน้อย ถ้าคาดไม่ผิดบ่ายนี้มันคงจะลงมาซ้ำถ้าดักเราก็คงได้ยิงแน่หญิงสาวหันมาทางชายยันพยักหน้าเธอไปสิชายยันแล้วเธอล่ะฉันไม่นึกอยากจะยิงอะไรอีกแล้วนอกจากไอ้แหวงหรือไม่ก็โครงของมันเท่านั้นฉันก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้บอกตรงๆว่าหมดความสนใจกับสัตว์อื่นใดทั้งนั้นนอกจากไอ้แหวงทางงา น, นทั้งสองคนอยู่เฝ้าแคมป์ บนหน้าคณะเดินทางพูดขึ่มๆแล้วมองไปทางรพินพยักหน้าผมไปเองรพินไม่ใช่อยากจะยิงเสือหรอกแต่อยากจะออกสำรวจกับคุณด้วยกลิ่นไอมันชักจะไม่ค่อยดียังไงพี่กนผมไม่อยากเชื่อเลยว่าไอ้แหว่งมันอยู่ห่างปางพักของเราพูดก็พูดเถอะออกเป็นห่วงพวกที่เราใช้ให้ไปเอาเนื้อกระทิงเสียแล้วจะเจอเข้าอย่างคราวบุญคําเอาหนังไอ้กุดย้อนเป็นหนองน้ําแห้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ดีเหมือนกัน แกนอนแคมป์หรือไม่ก็นั่งห้างเสียเวลาเปล่ามาหลายพราวแล้วควรจะไปคู่กับรัพินดูใชมั่งฉันกับน้อยจะเฝ้าแคมป์เองแต่ไม่ควรจะกลับมาถึงนี่ให้ค่ำนักนับแต่แหวงประกาศสงครามกับเรามานี่การที่พวกเราคนหนึ่งคนใดแยกย้ายกันออกไปทําให้ภูวงเป็นห่วงยังไงพิโกนชายยานสนับสนุนมาพรานใหญ่ขอตัวแยกไปนอนพักชั่วคราวตื่นขึ้นอีกครั้งในเวลาบ่ายโมงตรง ภายหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยก็ชวนหมอนมวัฟยองเชธธาตามที่ได้นัดแนะกันตกลงกันไว้แล้วเดินออกจากแคมป์เข้าดงไปการตามลำพังเพียงสองคนเชธธาถือจุดสี่ดับเบิลไรเฟิลของดารินอย่างคนที่รอบครอบเป็นนิสัยส่วนพรานใหญ่ถือเพียงจุดสามศกระบอกเล็กคู่มือซึ่งมักจะใช้ประจําในภาวะปกติเอาพี่ชายของฉันกลับมาก่อนตะวันตกดินนะในพราน ดารินตะโกนไล่หลังมาเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่ทั้งสองจะพ้นออกจากบริเวณปางพักอันเนื่องมาจากตั้งแคมป์อยู่ยังตำแหน่งนี้หลายวันเชษฐาพอจะกำหนดจดจำบริเวณรอบด้านได้บ้างพอเราๆพอเดินผ่านไปมาอยู่บ่อยครั้งและอาศัยการสังเกตอันทีท่วนเขาเดินสนทนากับพรานใหญ่เบาๆแต่ก็พร้อมโดยไม่ประมาทและพินนาตัดดานเลาะละัด ล, ล, ลงหุบด้านต่า วกอ้อมน้องน้ําลงไปทางตําแหน่งที่โขงไอแหว่งได้รอบเข้ามาชุมนุมเมื่อสามสิบคืนก่อนแล้วชี้ให้หัวหน้าคณะเดินทางศึกษารอยเท้าตลอดจนรอยหากินของโ ข, ง, ขงมันเป็นการทบทวนให้แม่นยํายิ่งขึ้นโดยแยกให้เห็นว่าร่องรอยของพวกมันแตกต่างกับโของอื่นเช่นไรบ้างพอตายตัดลำห้วยชันตอนหนึ่งขึ้นมาผ่านไปในระหว่างลําต้นไทรใหญ่จอมพรานก็หยุดชะงักเหนื่อยหน้าขึ้นจ้องพิจารณาอยู่ที่ภูต้นไทรตอนหนึ่ง อะไรเชิฐากระิบถามระพินยิ้มน้อยๆใช้ลํากล้องปืนชี้ให้ดูเมื่อเชิดถามองตามก็เห็นลําต้นใสพูนนั้นมีรอยถูกงากระ น, นําแทงฉีกพรุนอยู่หลายแห่งและตอนหนึ่งมีส่วนปลายของงาแทงหักติดคาอยู่กับพูใสโผล่ส่วนหนึ่งออกมาให้เห็นรอยเหล่านั้นเป็นรอยเก่านานมาแล้วเที่ยวป่ามาบ่อยๆคุณชายเคยมีโอกาสเห็นอย่างนี้มาก่อนบ้างหรือเปล่าครับหมายถึงช้างตกมัน หรือไม่ก็แตกเปรียวเต็มที่ประลองงาของมันกับกัดต้นไม้นะหรือก็อเคยเห็นอยู่บ่อยๆเหมือนกันไม่ใช่ครับผมหมายถึงลักษณะใกล้เคียงกันกับที่คุณชายว่านั่นแหละแต่มีปลายงาของมันแทงหักขาต้นไม้เห็นอยู่อย่างนั้นเชิดถาผาซื่อสันสีสะจ้องมองหน้าพรานใหญ่ยังไม่เคยดอกในข้อนี้แต่มันมีอะไรผิดปกติพิเศษไปหรือ ช้างตกมันก็อาจแทงงาของมันเข้าไปในลาต้นไม้เพราะความบ้าคลั่งและโดยความแรงนั้นปลายงาของมันก็อาจบินหรือหักคาติดอยู่กับต้นไม้ได้นี่แต่ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากที่คุณชี้ให้ดูเดี๋ยวนี้เองแสดงว่าไอ้ตัวนี้เมามันหรือไม่ก็ขนองแตกเปรียวเต็มที่ทีเดียวพานใหญ่หัวเราบเบาๆมองดูหน้าอาดีตในพันโททูทหารโบกผู้เป็นนายจ้าง คุณชายเคยมีความรู้เกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขลังบ้างไหมครับเชิฐากับพิปตาทีๆพรางขบวดคิ้วคิดและในบัดนั้นก็ลืมตาโพลงดีดมือออกมาโดยแรงพูดเร็วปือคุณพูดอย่างนี้ผมพอนึกออกแล้วตายเลยโง่อยู่ตั้งนานนี่คุณหมายถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่พวกเราชอบเล่นเครื่องรางของขลังเขาเรียกกันว่างาช้างกําจัดใช่ไหมครับใช่ที่เราเห็นอยู่นั่นแหละคือที่มาของคําว่า งาช้างกำจัดจะถือว่าเป็นของดีหายากที่สุดผมเองเดินป่ามานานเคยพบครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเท่านั้นครั้งแรกพบกับคุณหมอสมัยที่ท่องเที่ยวอยู่ในป่าอุทัยธานีคุณอณําพลแกสั่งผมหามานานนมแล้วแต่ผมก็หาให้แกไม่ได้สักทีเพิ่งจะมาเจอเอานี่เองแล้วพินพูดยิ้มยิ้มส่งรอยเฟินไปให้ในายจ้างถือไว้ชัวคราว ตนเองปินรากใส่ขึ้นไปใช้มีดโบวีที่ติดเอลอยู่แกะงาช้างที่หักคาอยู่กับต้นไม้อย่างระมัดระวังครู่เดียวก็ตัด ก, ก็งัดงาที่คาอยู่ออกมาได้นำกลับมาส่งให้เชษฐาหัวหน้าคณะเดินทางรับมาพิจารณาดูอย่างงง ง, งและคนตื่นเต้นมันเป็นบริเวณปลายงาอันแหลมงามยาวประมาณสี่นิ้วตอนปลายแหลมสุดของงาฉีกบินออกมีรอยเสี้ยนไม้ประทับอยู่เห็นชัด แปลกมากใช่ผมเคยได้ยินคุ้นคุ้นหูอยู่เหมือนกันอย่างนี้เองนะั่นะหรือที่เขาเรียกกันว่างาช้างกําจัดมันดีวิเศษยังไงกันนี่เคยได้ยินคนพูดกันบ่อยๆแต่ผมไม่เคยสนใจพรานใหญ่ควักบุหรี่ออกมาสูบเป็นตัวแรกนับตั้งแต่ออกจากแคมป์ ม, มาซุดตัวนั่งบนรากใสเช็ดถาพลอยนั่งพักลงด้วยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละครับว่าสรรพคุณของมันจะเป็นยังไงรู้แต่เพียงว่าพวกชอบเล่นเครื่องรางของขลั ง, งเขาแสวงหากันนัก ต้นเหตุมันก็เกิดจากช้างลองงากับต้นไม้แล้วงาบางส่วนหักคาอยู่กับต้นไม้นั่นแหละครับแต่ตามปกติแล้วงาช้างแข็งมากไม่มีทางที่จะหักคาต้นไม้ได้ง่ายๆและไม่ค่อยจะได้พบเห็นกันนักของอะไรที่หายากโดยเกิดขึ้นจากกรรมวิธีอันพิสดารปิดไปจากธรรมชาติปกติทางสายศาสตร์เขาก็ถือกันว่าเป็นของครังเป็นต้นว่าช้างหมูไข่นกเป็นหินคดไม้ กระเบนท้องน้ําหรืองาช้างกําจัดอะไรเหล่านี้แล้วผ่านใหญ่ก็หัวเราะออกมาอีกเท่าที่ผมพอจะได้ยินได้ฟังหรือเคยเห็นมาบ้างก็คือเขาจะเอางาช้างที่หักคาต้นไม้หรือที่เรียกกันว่างาช้างกําจัดนี้ไปแกะเป็นพระเครื่องหรือรูปลักษณะต่างๆตามแต่อาจารย์ทางสายศาสตร์จะทําขึ้นรับปลุกเสกลงเลกยันในว่าใช้เป็นเครื่องรางป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายในป่าได้อย่างชงัด อีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ยงคงกะพันผมเห็นแต่ว่าเขาต้องการการและเห็นที่เอาไปปลุกเสกแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นสปปรรพคุณกับตนเองสักครั้งที่สายศาสตร์เขาเรียกว่างาช้างกำจัดก็โดยถือเคล็ดว่าช้างมันกำจัดงาของมันทิ้งคาฝากไว้กับต้นไม้เป็นของวิเศษหายากมากเชิฐาหัวรอบบ้างพยักหน้าตาเป็นประกายตื่นเต้นพูดโดยเร็ว ใช่ใช่ผมก็ได้ยินมาในทํานองนี้แหละเออเพิ่งจะมาเห็นชัดกับตาคราวนี้เองถ้าคุณไม่บอกก็ลืมนึกถึงไปนึกออกแล้วผมมีเพื่อนชอบเล่นของขลังชนิดอยู่คนหนึ่งเคยออกป่าล่าสัตว์ร่วมกับผมบ่อยๆหมอเคยเอางาช้างกำจัดชนิดนี้แหละมาอวดผมตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันสักขนาดองคุรีเดียวเลี่ยมทองเห็นแขวนติดคอเข้าป่าด้วยทุกครั้งหมอคุยฟุ้งว่าวิเศษนะัก สิงสาลาศาส์เขี้ยวงาทุกชนิดทำอะไรไม่ได้แต่อีกคราวหนึ่งช้างป่ามันไล่วิ่งป่าล่าไปทีเดียวอ้อไองาหักคาต้นไม้ชนิดนี้นี่เองว่าแต่เวลาที่เขาเอาไปปลุกเสกลงเลขยันและถือกันว่าเป็นของดีแล้วนั้นเราจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นงาช้างกําจัดจริงหรือเปล่าอาจเป็นงาช้างธรรมดาก็ได้นินะเครื่องรางที่ทาขึ้นจากงาช้างกาจัดจริง เขาจะต้องเอาด้านที่มีรอยเสี้ยนไม้ซึ่งติดอยู่กับส่วนของงาเหลือไว้ให้เห็นครับจึงจะเป็นเครื่องยืนยันได้แน่ชัดว่ามาจากงาช้างแทงหักขาต้นไม้จริงๆไม่ใช่ทำจากงาธรรมดาเขาดูกันตรงนี้แหละอืมนี่เป็นความรู้ใหม่ทีเดียวนะหัวหน้าคณะเดินทางคลางออกมาพลิกงาเช่นนั้นกลับไปกลับมาในมือพิจารณาด้วยความสนใจจริงสิ ถ้าพูดกันไปแล้วมันก็เป็นของหายากไม่ใช่น้อยงาช้างนะหาไม่ยากหรอกแต่การที่จะไปแสวงหางาของมันที่แทงหักคาอยู่กับต้นไม้นี่สิในชีวิตของพราน ห, หรือนักเดินป่าคนหนึ่ ง, งตลอดทั้งชีวิตอาจไม่มีโอกาสพบเลยก็ได้ว่าแต่คุณเองเถอะคุณเชื่อถือเรื่องมสยอยู่ในเรื่องเช่นนี้หรือเปล่าแล้วผินยิ้มกว้างๆมองดูในจ้างด้วยประกายตาแจา่มใสผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับในเรื่องนี้ ชีวิตการฝึกเป็นพรานของผมในอดีตก็ผัวพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่น้อยแต่ผมว่าเอาไอ้ที่แน่ๆเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนดีกว่าคือถ้าคิดเข้าป่า ก, กันแล้วเราก็ถือไรเฟิลอนุภาพดีๆสักกระบอกดูจะศักดิ์สิทธิก์กว่าเอาไอ้งาช้างกําจัดมาแขวนคอคุณอําพลเองเคยเอ่ยปากบอกให้ผมไว้ตั้งหมื่นบาทถ้าผมหางาชนิดนี้ไปให้แก่ได้ผมก็เพียรหามานานหวังจะไปแลกเอารางวันจะแก่ไม่พบสักที เพิ่งจะมาเจอเอาคราวนี้นี่เองช้องหมูป่าอีกอย่างหนึ่งแกอยากจะได้ซสียจริงอีพักหนึ่งทำเอาผมยิงหมูป่าเสียหลายร้อยตัวจะเฟ้นหาช้องหมูป่าไปขายแกให้ได้แต่ก็เหลวทุกทีเชษฐาส่งงาช้างชิ้นนั้นคืนมาให้เขาแต่ระพินบอกทั้งหัวเราะว่าของแปลกหายากคุณชายเก็บไว้เป็นที่ระลึกเถิดครับหรือเมื่อกลับเข้าเมืองอีกครั้ง คุณชายจะเอาไปฝากคุณอมพลก็ตามแต่ใจผมขอมอบให้คุณชายขอบคุณมากผมจะเก็บมันไว้อย่างดีที่สุดและถ้ากลับไปก็จะแบ่งให้คุณอมพลเขาสักครึ่งหนึ่งค่าที่เขาอยากจะได้มันมานานเขาคงดีใจแทบเต้นทีเดียวนีทถ้าชายยันเห็นก็คงจะอยากได้ตัวสั่นเหมือนกันหมอนั่นชอบของอย่างนี้อยู่แล้วเชิถากล่าวอย่างยินดีเก็บเศษงาช้างส่วนนั้นเข้าเป้หลังจุดบุหรี่ขึ้นสูบบ้างแล้วถามต่อมา ถือโอกาสจะ ก, การนั่งพักการชั่วขณะนั้นเออแล้วช้องหมูล่ะผมก็เคยได้ยินมานานแล้วแต่ไม่เคยเห็นสักทีมันคืออะไรเป็นยังไงกันช้องหมูก็คือขนของหมูป่า น, นี่แหละครับเท่าที่ผมเคยเห็นลักษณะมันขดพันกันเป็นวงกลมเหมือนวงแหวนถือว่าเป็นของอาถรรพยาหายากประเภทเดียวกับงาช้างกาจัดทำไมมันถึงขดพันกันเป็นวงกลมได้ล่ะ ลองอธิบายให้ละเอียดหน่อยสิผมเองคลุกคลีอยู่กับพวกพรานพื้นเมืองมาก็หลายคนแล้วแต่ก็ไม่เคยสอบถามเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดออกไปซักทีเพราะไม่สนใจมาเจอเอาพรานมือขนาดที่ผ่านโลกที่สว่างสุดและมืดที่สุดมาแล้วอย่างคุณก็ดีแล้วขอวิสัชนายมันหายกังขาเสิยทีเอถอะเท่าที่ได้ยินได้ฟังมามันลื่นเรือลางๆหรือเกินจอมพรานหัวราะเบาๆก้มลงชิดผ้าของม้าที่เกียนเอวอยู่เช็ดเหงื่อบนใบหน้า ผมเองก็ยืนยันไม่ได้อีกนั่นแหละครับสำหรับงาช้างกำจัดนั้นก็พอจะบอกได้แน่นอนว่าเป็นเศษงาที่ช้างมันแทงหักคาไม้ไว้เพราะก็เคยพบเห็นมากับตาแล้วแต่มันจะมีสปปรรพคุณวิเศษอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนกรรมวิธีที่จะก่อกำเนิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าช้องหมูนี้ในชีวิตผมยังไม่เคยเห็นกับตาสักทีเคยเห็นแต่ที่มันไปอยู่ในมือคนแล้ว รูปร่างมันก็อย่างที่ผมอธิบายเมื่อหยกๆกนี่แหละครับคือเป็นเส้นขนหมูป่าถักเป็นเกลียวพันกันลักษณะวงกลมเหมือนวงแหวนหรือกำไลข้อมือใหญ่บ้างเล็กบ้างก็แล้วแต่ขนาดของแต่ละคน